จเจริญพรทุกท่านไม่ได้มาเทศที่นี่สองเดือนถ้าเดือนนี้เว้นอีกก็จะเดือนหน้าเขาไม่ได้ม า, าเดือนเมษาที่นี่เขาใช้พื้นที่จัดงานสงกรานดูหน้าพวกเราแล้วนะมันไม่ใช่ว่าต้องเจอบ่อยนักหรอกส่วนใหญ่เขาภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัตินละ ถ้าเรารู้หลักแล้วมันไม่ยากอะไรหรอกถ้าไม่รู้หลักนะ่ยเสียเวราเวลามากลบากเมื่อกี้ก็มีโยมผูคนหนึ่งอายุแปดสิบสองบอกภาวนาผิดมาตั้งสี่สิบปีเพ่งอย่างเดียวเลยมาฟังหลวงพ่อเทสบอกฟังหลวงพ่อเทสเลยรู้หลักเรารู้หลักแล้วมไม่ยากอะไรนงะ ใ, ใจก็คลายตัวออก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 ก่อนเราพูดบางคนต้องบอกแต่งเองเปล่าว่าหลวงตาจะมาพูดเหรอย่างีไม่มีหลักฐานนะถอดมาคำต่อคําเลยถามว่าถ้ามีศีลมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาไหมไม่มีคนละเรื่องกันแล้วทําไงจะเกิดปัญญาก็ต้องเดินปัญญาสิต้องพิจารณานะพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เบื้องต้นมันก็คิดเอานะสําหรับคนที่ติดความสงบต้องคิดเอา เบื้องปลายนะการพิจารณาพิจารณาเนะี่ยไม่ได้แปลว่าคิดละนะหนะลวงพ่อพุทธนะนะท่านอธิบายดีนพิจารณาคือตัววิจารณ์ใจมันเคล้าเคลียรเรียนรู้อยู่นะันะ่ะเรียกว่าพิจารณาใจมันเคล้าเคลียรเรียนรู้กายอยู่เนระียพิจารณากายนะเรียนรู้ความจริงไปเมื่อสักสองสามอาทิตย์นะีหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนที่โรงพยาบาลจุฬาท่านเป็นมะเร็งรอบสองทนะ่า น, นไม่ได้หวันไวอะไรเลย หลวงพ่อเข้าไปไม่ได้ไปให้กําลังใจท่านนะไปกราบเข้าไปท่านปิดปิดผ้าให้ยด็กตนคนเป็นบัตรนปิดไว้ท่านยังพูดได้เห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็ยกนิ้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วคนที่จะสอนเจริญสติเจริญปัญญามีคนเดียวแหละอีกคนหนึ่งนอนอยู่นี่นอน สอนไม่ได้แล้วอี้ถ้าเจะบอกเลยว่าท่านท่านเขียนบันทึกนะเห็นไหมท่านเขียนบันทึกคนปฏิบัตินะไม่ขึ้นวิปัสสนาสิยเยอะเลยกระทั่งพระนะ่ะไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนาโยมที่มาเรียนโยมแก่ๆบางคนยังขึ้นวิปัสสนาได้ส่วนใหญ่ทําไม่เป็นเอยากก็จะทําสมาธิให้จิตมันนิ่งให้จิตมันสงบจิตมันนิ่งจิตมันสงบก็ได้พักผ่อน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 พูดอะไรก็รู้พระองนี้พูดฟังยากอยากคิดมากไม่ยากหรอกถ้าคิดมากเรายากจะ ย, ยากอะไรรู้รู้สึกตัวขึ้นมานะดูกายมาทํทำงานดูใจมป็นทำงา น, ด, น, งานดูได้ทุกคนแหละจะไม่ยอมดูส่วนมากเราฝึกกันผิดพลาดไปเพ่งไปจ้องหลางพพายกตัวอย่างให้ดูไหมทุกคนดูลมหายใจ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 ่รู้อยู่รู้ไปสบายสบายจะเห็นกายกระใจเป็นคนละอันะถ้าเห็นกายกระใจเป็นคนละนมากๆเข้านะถึงวันหนึ่งมันก็จะเห็นไตรลักร่างกายก็สแสดงไตรลักใจที่เป็นคนดูก็สแสดงไตรลักษนะ์อันนี้สําหรับคนที่ถนัดดูกายถ้าถนัดดูความรู้สึกเราก็หัดดูความรู้สึกไปเลยความรู้สึกนะั้นเกิดขึ้นที่ใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนที่ร่างกายหายใจตลอดเวลานั่นแหละ ความรู้สึกก็เกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะ น, นี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยก็แค่นั้นเองใช่ความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราลาเลยที่จะรู้เราไปที่หัดรู้เรื่อยๆสุขขึ้นมาก็รู้นะทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะหรือว่าโบลบโกรดหลงขึ้นมาก็รู้รู้ง่ายๆนะดูคระพีสูุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ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 เกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะนะนั้นถ้าเราภาวนาปุ๊บแน่นปับ๊บหยุดสก่อนทำผิดแล้วอยากขยันนะรู้สึกตัวใหม่มาเห็นร่างกายหายใจเอาใหม่นะมาเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เอาใหม่มาเห็นโอบโลดธลงเอาใหมนะ่รู้สึกเอาใหม่ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขนะอย่าไปพยายามแก้ไขอย่างบางวันเราภาวนานะจิตมันมืดมัวไปหมดเลยกลุ้มใจทายัางไงจะหายมัวเคยเป็นไหม ทำไงย่าเบลอไปหมดแนละ้วทำไงจะรู้ชัดไม่ต้องทำอะไรมัวรู้ว่ามัวเบลอรู้ว่าเบลอไม่ต้องชัดหรอกนะถ้ารู้อย่างเป็นกลางได้นะจะชัดปิ้งขึ้นมาในจันนาทีนั้นเลยหลวงพ่อบวชนะคันษาที่สองคันษาที่สองนะภาวนาบวชได้ปีกว่ากว่าภาวนาใจมั้ใสลนะอ่านกันแล้วใจมใสสว่างนานๆไปนะมันหมองๆ ม, มันมองๆไปหน่อยเดียวนะทนไม่ได้นะ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 อ๋อมองใจไม่ชอบรั้วไม่ชอบง่ายแค่นี้เองเพราใจเป็นกลางนะตั้งแต่นั้นไม่มองอีกแล้วนีมันรั้วมองเนี่หลอกเราไม่ได้แล้วนะใจก็สว่างสวัยสว่างสวัยเนี่ยเราเห็นมาตรงที่มันมองมาทิงแล้วตรงที่มันมองก็มันสว่างมองก็สว่างมองก็ปรุงแต่งสว่างก็แต่งให้ใจที่สว่างนี่ยังแต่งอีกนะไม่หลงกลมันนะไม่ใช่ไปแต่งสว่างหลวงปู่ดินยเคยบอกหลวงพ่อแล้วับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ บอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คือไปรักษาจิตเอาไว้ปล่อยไม่ได้รักษาไหมไปเอาไปเอาดีไปเอาดีไปเอาสุขเอาสงบเอาสว่างสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งฟ้าอาศัยให้เห็นความจริงเข้าไปเร่เรามีสติมีปัญญานะเรียนรู้ไปเลยจิตสว่างก็รู้จิตมองก็รู้สุดท้ายมาเห็นจิตทุกชนิดน่าหลาเกิดเราก็ดับไปจิตทุกชนิดอะบังคับไม่ได้นี่นหัดดูไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เห็นนะ ยากอะไรไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะมีคนไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะเมื่อเมื่อวันศุกร์มีคนไม่มากสักครึ่งครึ่งห้องครึ่งห้องกว่าขว่าหลวงพ่อไม่สบายเนะออกาปเทศรอบสายรอบเดียวไม่มีเสียงออกมานั่งดูทฤเทศอะไรนะแต่ละคนนะมันสดชื่นเบิกบานคงไม่ใสดชื่นว่าได้ฟังเทศรอบเดียวหรอกนะนะนะสดชื่นนะ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 บอกโอ้นี่แหละมันไม่จบก็ตรงที่มันคิดจะทํานี่แหละก็เห็นขันมันแสดงใจรักก็ดูมันเสียดูไปดูจนใจมันเข้าใจความจริงยอมรับความจริงแะขันมันก็เป็นใจรักถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันก็หลุดไปเรียงลำดับลําดับไปเบื้องต้นก็ได้โสดาเห็นว่าตัวเราไม่มีะเบื้องปลายก็เห็นว่าตัวที่มีนั้นมีแต่ตัวทุกข์เห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะดูเข้าไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาไม่ยากอะไรหรอก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 นะยอมสละศีลเพื่อรักษาชีวิตนะบ้านเมืองถึงได้เป็นอย่างนี้นะคนไม่มีศีลมีธรรมนะถ้าคนสมัยก่อนเขาทำความผิดอะไรถูกจับได้นะเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องหาหลาชีรนะีหรือแม่ก็ลาออกอนะไรเงี้ยสมัยก่อนนะนักการเมืองหน้าบ้างบางนะสมัยก่อนเสนอยติอะไรไม่ผ่านออกแล้ว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 ในควงเป็นนายยมบไม่รู้จะปฏิบัติยังไงจะเอาตำรวจที่ไหนไปคุมไม่มีคนไปคุมนะไม่รู้จะปฏิบัติไม่ได้หรอกออกกฎหมายมาแล้วต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ทาไม่ได้ไดราออกแค่นี้ออกแนละ้วคนแต่ละยุคไม่เหมือนกันดอกเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะผมพ่อไปหาครูบาอาจารยนะ์ท่านก็พูดออกมาให้ฟังปะโมตต่อไปบ้านเมืองมันจะลาบากนะ สัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะใช่าไหมเงี้สัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะก็ะคนมีศีลมีธรรมมันมากเนะแสงมันออกลัสมีไม่ออกสัตว์นรกจะขึ้นจากนรกมามันเห็นรัศมีอันนี้จับเอาไว้ก่อนเนี่ยก็เลยพากันมาเกิดที่นี่วิธีดูว่าเรามาจากนรกหรือเปล่าดูใจของเราใจพื้นเดิมของเรานะคนไหนขี้โมโหยกมือสิสาธุ สิทธิ์เก่าแต่เรายังดีนะเราเข็ดหลับมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วเราพัฒนาบางคนมันไม่พัฒนาแนละ้วมันเตรียมลงไปอีกนะเราก็ฝึกของเรานะฝึกรักษาสีล5ห้าไว้สีล5ห้าจำเป็นมากเลยนะถ้าสีห์ด่างพลอยสมาธิไม่มีหรอกสมาธิมีก็จะมีชั่วคราวด้วยอำนาจสมาธิเก่าๆที่เคยฝึกอย่างบางคนนะ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 ทำในรูปแบบทําอะไรบ้างเบืนะ้องต้นเขาไหว้พระก่อนคนะิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ลูกศิษย์มีครนะูทําอะไรเรารก็ไหว้ครูซะก่อนสวดนมนต์ไหว้พระคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ของเรานะเราไม่ใช่คนจรจัดอาาถาไม่มีพ่อมีแม่พวกเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเราะงั้นเลยละก่อนเราจะภาวนานนะเรานึกถึงท่านซะก่อน อ็นึกตึกแล้วนะถัดจากนั้นเรามาสังเกตใจเราถ้าวันนั้นใจฟุ้งซ่านทําความสงบนะถ้าใจฟุ้งก็ทําความสงบทําความสงบแบบไหนถ้าเราขี้โมโหก็จเจริญเมตตาไปนะจเจริญเมตตาง่ายๆนะบุตรกรรมไปนะเมตตันจากสัพโรกัสเมิงมาณนะสัมภเวญะปริยมานังก็ได้ยาวก็จำไม่ได้อยาวจำไม่ได้เอาสั้นๆนะ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 มารู้ร่างกายที่หายใจอ่ะหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจไปการรู้ลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วๆวไปนะรู้เป็นกรรมฐานทั่วไปใช้ได้ทุกคนอ่ะเห็นร่างกายเป็นหายใจใจก็สงบเนี่ยวันไหนใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็มาทำใจให้สงบนะตามจริตนิสัยเรามีราคามากพล้กนะ็พิจณาสุภาษนะมีโธสามาก็นะ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 เบื้องตอนสัก15บนาทียี่สินาทีวันหนึ่งแต่ต้องทำทุกวันนะใจจะเข้มแข็งทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกแล้วเรากบากทำนะอุปกรณ์สื่อสารนะเอาไปไว้ไกลๆเลยนะปิดมันจะได้ยิ่งดีตัวเนี้ยแม่ไม่อยากว่านะเสียดจันไรของการภาวนาเลยนะครูบาอาจารย์เกลียดมากเลยรลกงตามหาบัวนะี่ถือเรื่องเป็นเทวทั์เลยนะัน่นทาให้เราจิตเราเสีย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 ไม่ได้เรื่องเลฟุ้งมาตลอดเลยนะทําความสงบนะอ่านข่าวการเมืองมากจิตมีโทสะเจริญเมตตาไว้ต้องรักทักษิณได้เท่ากับรักกํามันตนะ์อะไม่งั้นเราไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอกแต่จะตามใครอะไรนี้จะเลือกใครนี้ใช้สติปัญญาแต่ความเกลียดนี่ยไม่เอานะไม่ได้เกลียดสมัยพุทธกาลพระเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดเทวทัตนะแต่ไม่ได้ให้ตามเทวทัตก็ต้องรู้จักเลือก เลือกครอบกัลยาณมิตรไม่เลือกพบผลพานท่านสอนแต่ว่าใจเราไม่ได้รักคนนี้เกลียดคนนี้นะใจเราก็ใจเราก็สงบสูงได้นี่ถ้าทุกวันเราฝึกในรูปแบบเนียใจเราจะมีพลังออกมาอยู่ในชีวิตจริงเราจะมาฝึกง่ายชีวิตจริงเนี่ยจริงๆแล้วเล่นยากกว่าการฝึกในรูปแบบนะฝึกในชีวิตจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยยากกว่าการทาในรูปแบบ เวลาเราทํากรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเราลดอายตนะลงสี่ช่องเราไม่ได้มีตาดูหูฟังนะจมูกก็ไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นไม่รู้รสอะไรหรอกเพราะมันไม่มีอะไรกระทบมันซ้ํำซากมันเหลือแต่กายกับใจนั่งแล้วปวดทางกายนั่งแล้วยุงกัดนั่งแล้วร้อนอะไรเงี้ยนะหรือนั่งแล้วใจแข่งยองนดแข็อย่างนี้เหลืออยู่สองช่องคือกายกับใจก็ดูง่ายหน่อยโดยูจนชำนิชำนาญนนัะ่สติทํางานได้ชํานาญใจตั้งมั่นได้ชํานาญนะเห็นไตรลักษณ์ได้ชํานาญแล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 เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดยินดีให้รู้ยินร้ายให้รู้นะเกิดกุศลให้รู้โลภโกรดหลงให้รู้รู้อยู่ที่เดียวคือรู้อยู่ที่ใจนะแต่ไม่เพ่งอยู่ที่ใจถ้าเพ่งจ้องอยู่ที่ใจใจจะนิ่งๆนะตามองเห็นรูปใจก็นิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้ตามองเห็นรูปไปแล้วจิตมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ใช้ได้นะตามเห็นรูปแล้วจิตเป็นกุศลอกุศลเนี้ยแลอย่างนี้ใช้ได้ถ้าตาเห็นรูปใจก็เฉยหูได้ยินเสียงใจก็เฉยไม่ได้กินหรอก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 วัดสวนสถิตธรรมได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นสำนักกรรมฐานนึกว่าจะมานั่งสมาธินะคุณแม่เลยตอบด้วยความเมตตาเนี่ยเขากำลังฝึกธรรมะขั้นสุดยอดอยูนะ่ฝึกกรรมฐานในชีวิตจริงๆส่วนกรรมฐานที่ฝึกคนเดียวนะ่ะไปฝึกที่บ้านนะกลับบ้านแล้วไปฝึกเอานะอยู่ตรงนี้ฝึกในอายตนะหกอันเนี้ยฝึกรู้มันให้ได้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 มาบังคับทุกคนทำเหมือนกันไม่ได้ผลหรอกงั้นไปทำเอาเองนะแต่บอกให้ทำนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำนะถ้าไม่ได้ทำนะไม่มีแรงอะ่ะพอแปรพอแปรหมู่นี้จิตไม่ค่อยมีแรงเอาเวลาไปทำอะไรไปลายหมดเ <c oughs> สียหายฝึกนะฝึกเข้าแล้วธรามามัจะมาหาเรา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 ที่ทำกรรมฐานหลายสิบปีไม่ได้ผลก็เพราะเรื่องนี้แหละไปติดความนิ่งสงบเฉยๆว่างๆเห็นนอนเห็นนี่นะนั่งเห็นน่นเห็นนี่ไปเห็นอะไรก็สู้เห็นกิเลสไม่ได้นะกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆรถติดก็ฝึกได้นะอมีส่งองินบ้านไหมนี่อ้ว่ามา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 แต่ไม่ได้โลภเอาผลไม่ใช่ว่าพอไม่โลบผลเลยไม่ทําเหตุนะนี่กระทันกระแท่นไม่ได้นะสู้ตายจนวันหนึ่งมันเล็ลึกถึงคําสอนหลวงพ่อชาบอกว่ารู้อะไรก่อนให้รู้สึกอะไรก่อนให้รู้ตัวนั้นทีนี้ครับใช่ทีนี้จริงๆเรารู้กายเพื่อเห็นอะไรเห็นใจรักนะรู้ใจเพื่อเห็นใจรักไหมรู้สุขทุกข์ก็เพื่อเห็นใจรักรู้กุศลอกุศลก็เพื่อเห็นไตรลักเห็นอะไรไม่สําคัญหรอกถ้าเห็นไตรัก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 ตลอดสิ้นกาแลแนานเทินยถ า, าวะริวะฮปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังดุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรสโอยาถามณีโชติรโอยาถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโคโวินั ส, สตู มาเตผวัตวันตรยโยสุขีที่ขายโยโภวาาพวะอภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปจายโนจตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุเดินหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะพิษภามาเทศอีกครั้งหนึ่งเทศเแล้รไปยุโรปแล้ว